เช้าเราก็มาสาธยายคำสอนเกี่ยวกับสัจธรรมความจริงของชีวิตเลาที่เราสาธยายด้วยวาจาโดยการเปล่งคำพูดออกมาเราก็ควรจะพิจารณาด้วยใจของเราตามไปด้วย คำสอนเกี่ยวกับความจริงของชีวิตนี่ที่เราสาธยายทุกเช้ามีหลายระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ลึกซึ้งหรือเป็นธรรมะขั้นสูงที่เราควรพิจารณาใครค่รวนด้วยธรรมะขั้นสูงเนี่ย ข้อหนึ่งก็คือคําสอนเรื่องอนัตตาซึ่งแปลว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าไม่มีตัวตนของมันเองหรือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบางทีนั้นก็เรียกว่าว่างปร่าจากตัวตนแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ จะเป็นหินจะเป็นเสาจะเป็นพื้นเรือหรือาร่างกายของเราเนี่ยสัมผัสได้แ่นั้นแหละมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมายความไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ที่คงที่คงตัวหรือเป็นอิสระจากสิ่งใดคาสอนเนี่ยหรือความจริงข้อนี้นมันความจริงที่ ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจยากที่เข้าใจยากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าใจเรานไม่ค่อยยอมรับความจริงข้อนี้เท่าไหร่เพราะมันสวนทางนะกับมันไม่ใช่แค่สวนทางกับสามัญสำนึกนะแต่มันยังขัดแย้งกับกิเลสในใจเรา ว่ากิเลสเนี่ย ม, มันมีความหวงความแหนนะมันมีความยึดในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนเลยเพราะร่างกายเนี่ยมันก็ยึดว่าเป็นเรามีเรามีกูซ้อนอยูนะ่หรือว่าเป็นเจ้าของร่างกายนี้น้ันก็พยายามยึดทุกอย่างนะเป็น เป็นกูของกูเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าไม่หยุดหย่อนเลยนีย่นจะให้เข้าใจเรื่องอนัตตาก็เลยยอมรับไม่ได้เข้าใจยากแต่ว่าแต่อันตตาเลยในชะ่ไหมก็ทั้งอนันทิจังเนี่ยใจเราบางทีก็ไม่ยอมรับนะทั้งที่ มันก็เห็นอยู่ชัดๆนะว่าทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยงแต่ว่าใจเนี่ยมันหรื อ, อยาเนี่ยคือกิเลสนี่มันมันยึดนะมันอยากให้ทุกอย่างมันเที่ยงอยากให้ร่างนี้มันเที่ยงอยากจะให้ทรัพสมบัตินี้มันเที่ยงฉังพอได้ฟังคาสอนเรื่องอ น, นิจจงเนี่ย แม้จะยอมรับนะแต่ว่ามันก็ยอมรับอยู่ในระดับหัวสมองเหตุผลแต่ว่าอารมณ์หรือจิตใจมันไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นพอเข้าของเสื่อมเสียร่างกายแก่ชาราคนรักล้มหายตายจากไปมันก็เลยยอมรับไม่ได้ก็เศร้าโศกเสียใจโกรธแค้นขับแค้นนี่ขณะนี้จังนะ ถ้านัตตานี่ยิ่งเข้าใจยากแล้วก็ยอมรับได้ยาก้าไปยา่แต่ก็เป็นเรื่องที่เราควรต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจพอทำาไมเข้าใจเนี่ยมันก็จะมีความยึดความอยากในสิ่งต่างๆยึดว่าไม่ใช่แค่เที่ยงนะแต่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา แล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามใจเร า, านั้นที่มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่เราจะบังคับบัญชาหรือควบคุมให้เป็นไปตามใจหวังของเราได้ในเรื่องคำสอนนะเกี่ยวกับอนัตตานี่ในด้านหนึ่งก็ท่านก็อธิบายว่าเนี่ยที่ทุกอย่างเป็นอนัตตาเพราะว่า เราควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเป็นของเราจริงนะเราก็ต้องสั่งมันได้สั่งร่างกายนี้ไม่ให้แก่สั่งทุกขเวทนาให้ดับไปไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดเกิดขึ้นสั่งใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านแต่ก็สั่งไม่ได้และเมื่อสั่งไม่ได้เนี่ยมันจึงเป็นอนัตตาอันนี้ก็เป็นคําอธิบายอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องอนัตตามากขึ้นแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะท่านก็ตอนโดยเริ่มต้นจากอนิจจังอย่างที่ผู้เจ้าเนี่ยนะได้สอนปัญจวัคคีในอนัตตลัคนาสูตรเนี่ยท่านก็ถามปัญจวัคคีว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่า คำตอบคือเป็นทุกข์และสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นจะเรียกว่าเป็นตัวตนได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ต้องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนันเราจะเข้าใจเรื่องอนัตตาได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จากการเห็นความจริงเรื่องอนิจจงเมื่อเห็นว่ามันเป็นอนิจจงเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจง นั่นสิ่งทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์เมื่อสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์มันย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการอธิบายตามลําดับเนี่ยก็ทําให้ปจัจจวบคีรีนี้นเข้าใจเรื่องอนัตตานะจนกระทั่งบรรลุอรรตผลได้นี้จังตุองอ๊อหาตตานี่จึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมากในที่จริงแล้วเนี่ยความจรงทั้งสามประการนี้มันก็ ล้วนแต่สะท้อนความจริงอย่างเดียวกันแต่ว่าเรียกคนละแง่หรือกล่าวนคนละแง่สุดท้ายว่าเราจะมองในมุมไหนธรรมะที่สอนให้เราเห็นหรือเข้าใจเรื่องอนิจจังเนี่ยมันก็พาเราให้เข้าใจเรื่องอนัตตาได้อย่างตอนที่พระพุทธเจ้าในแสดงปฐมเทศนาเนี่ยธรรมจักรปัจจานสสูตรเนี่ย จนทังพระโกนธัญญามีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยท่านเห็นธรรมหรือเห็นความจริงว่าอะไรก็เห็นความจริงว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาประโยคสั้นๆเนี่ยนะมันก็สะท้อนทั้งอันจังก็ได้นะแล้วมันก็แสดงเหน็นความเป็นทุกขขังคือมีเกิดแล้วก็มีดับ นอกจากมันไม่เชื่ยงแล้วมันก็ยังไม่คงตัวไม่คงทิ่แล้วอะไรก็ตามที่มันดับได้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่มีมันก็ไม่มีตัวตนของมันเองเพราะถ้ามีตัวตนมันย่มีความยั่งยืนนั้นประโยคที่ว่าเนี่ยหรือภาษิตที่ว่าเนี่ยสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่มีความดับเป็นไปเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตา สุดแท้แต่ว่าเราจะมองในมุมไหนในสมองเดียวกันนะเมื่ออุปติสสะซึ่งภายหลังเป็นภาษาเลบุตเนี่ยถามป้าสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะว่าพระอาสชิบอกว่าเนี่ยศาสดา ห, หรืออาจารย์ของท่านคือพระพุทธเจ้า ถ้าอุปฏิาสาวเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสในพระสัจฉิที่มีอากัปกิริยาสงบเย็นก็เราอยากจะรู้ว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยสอนอะไรพระสัจฉิเลยตอบว่าเนี่ยสิ่งใด เ, เกิดแต่เหตุทำใดเกิดแต่เหตุทำใดนี่ก็หมายถึงสิ่งใดเนี่ยนะ สิ่งใดเกิดแต่เหตุพระตาทาคตกล่าวถึงเหตุแห่งสิ่งนั้นและความดับแห่งสิ่งนั้นพระมหาสมณะมีวาจายเป็นปกติเช่นนี้ถ้าประโยคสั้นๆเนี่ยก็ทำให้ธนุปฏิสระนี่ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัดเหมือนกันประโยคนี้ก็เหมือนกันนะหรือพาศษศนี้ก็เหมือนกันนะ สิ่งใดเกิดแต่เหตุนะพระตจาคตกล่าวถึงเหตุแห่งสิ่งนั้นและความดับแห่งสิ่งนั้นและสิ่งนั้นที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งทั้งปวงนั่นแหละซึ่งหมายเขาว่ามันไม่เที่ยงนะและเมื่อมันมีความดับความเสื่อมไปก็แสดงว่าเป็นทุกข์และการที่มันดับได้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน รมทั้งการที่มันเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุเนี่ยมันก็แสงออกมาไม่มีตัวตนของมันเองแต่เกิดขึ้นจากปัจจัยหรือเกิดขึ้นจากเหตุอันนี้ก็เป็นเป็นคำอธิบายนะที่ช่วยเราเข้าใจเรื่องอนัตตาเริ่มต้นจากอนิจจังทุกขังแล้วก็สรุปมาลงที่อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แต่ที่จริงก็ยังมีคาอธิบายนะหรือมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะเป็นคาอธิบายอีกทางหนึ่งนั่นคือท่านก็เชื่อว่าเนี่ยทุกอย่างเพ็นนัตตาได้เพราะมันเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นสัจธรรมความจริงนะซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะว่าอิทัปปัจจตา อิทธิประยาตาแปลว่าภาวะที่มีสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยหรือความที่มีสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีหรือบางทีเขาพูดง่ายๆว่าเนี่ยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอันนี้ก็ เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะที่เรียก อ, อิทัปปจิยตาซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งของคําสอนเรื่องอนัตตาอนัตตาคือว่างป่าจากตัวตนแะที่ว่างป่าจากตัวตนก็เพราะว่ามันไม่ได้มีตัวตนของมันเองแต่มันเกิดขึ้นจากการที่มีเหตุปัจจัย อย่างเช่นนะร่างกายเราเนี่ยนะมันมีขึ้นมาได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่เห็นชัดชง่ายๆคือมันเกิดขึ้นจากเอาไว้ต่างๆทั้งน้อยทั้งใหญ่มากมายมาประชุมรวมกันแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างดีก็เกิดเป็นร่างกายขึ้นมา อวิรต่างๆแต่ละชิ้นแต่ละส่วนออกไปในที่สุดก็เลยจะความว่างไม่มีร่างกายหลงเหลืออยู่เลยอันนี้เรียกวันนัตตานะคือว่างปราศจากตัว ต, วตวนหรือที่นม่ใช่คือรถยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยมันก็มีขึ้นมาได้เพราะมันมีชิ้นส่วนต่างๆนับร้อยนับพันเมื่อเอามาประกอบกันครบถ้วนก็เป็นรถ แลวเมื่อถอดชิ้นส่วนไปทีละ อ, อย่างทีละ อ, อย่างแยงออกไปจนหมดก็ไม่เหลือตัวรถเลยอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีตัวตนของรถนะรถไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็เรียกว่าอนัตตาการที่สิ่งต่างมีขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอาศัยสิ่งอื่นเป็นปัจจัยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นได้ไม่ยากนะต้นไม้เนี่ยต้นไม้เกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ใช่ แค่มีเมล็ดนะเท่านั้นนะมันยังต้องอาศัยองค์ประกอบหรือเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยเช่นฝนนะอุณห ภ, ภูมิความชื้นอากาศอากา ศ, อากาศนี้มีแต่คาร์ดออกไซด์นะเพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสงแล้วรวมไปถึงออกซิเจนด้วยแล้วถ้าเรามองให้ดีๆนี่นะโอ้การที่จะมีน้ำได้มันก็ต้องมีเมฆนะหรือว่ามีลาธาร มีเมฆได้ก็ต้องมีดวงอาทิตย์ที่ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นเมฆแลการที่จะมีต้นไม้แต่ละต้นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีมเมล็ดมีปุ๋ยและมีคนปลูกนะแต่มันยังอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆมากมายตั้งแต่เมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าจนกระทั่งไปถึงดวงอาทิตย์ ที่อยู่ห่างไกลจากโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องของความจริงนะที่จะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอิงอาศัยสิ่งต่างๆมากมายไม่ใช่แค่องค์ประกอบภายในอย่างเช่นร่างกายเราเนี่ไม่ใช่แค่มีขึ้นมาได้เพราะมี มีตับมีหัวใจมีกระโหลกมีกระดูกตอนนั้นเป็นปัจจัยลวงประกอบภายในตอนนั้นไม่พอนะยังต้องอาศัยสิส่งอื่นอีกนะเช่นต้องอาศัยน้าต้องอาศัยอากาศต้องอาศัยอาหารอาหารนี่จะมาได้ยังไงนะโอ้มันต้องเอช่นข้าวเนี่ยมันต้องมีคนปลูกมันต้องมีเมฆ มันต้องมีฝนมันต้องมีแหล่งน้ำมันต้องมีดวงอาทิตย์ไม่มีสิ่งนี้เนี่ยมันก็ไม่มีข้าวไม่มีข้าวร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีน้ำไม่มีน้ำเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีไม่มีป่าไม่มีดวงอาทิตย์ ไม่มีสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่มันก็ไม่มีออกซิเจนเพราะอย่างที่เรารู้เนี่ยออกซิเจนเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยต้นไม้แล้วก็อาศัยสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆมากมายในมหาสมุทรเนี่ยที่เรียกแผงตอนที่มันให้ออกซิเจนแก่สัตว์ในโลกอันนี้เราเป็นปัจจัยภายนอกนะควบคู่ปัจจัยภายใน คืออวัยวะต่างๆในร่างกายมันก็ทำให้เกิดร่างกายนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยมากมายไม่ใช่แค่สิ่งเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่สองสิ่งนะแต่ว่ามากกว่า น, นั้นประชุมรวมกันอิงอาศัยกันสัมพันธ์กันจนทำให้เกิดมี สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้สิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นาการที่สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นหรือว่าสูนสลายหายไปเนี่ยเรียกว่าอนัตตาคือไม่มีตัวตนหลงเหลือหรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่การที่มันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆมากมาย ที่มาประชุมกันสัมพันธ์กันอันนี้เรียกว่าอิทธปัจจยตาซึ่งก็เป็นความจริงที่แสดงออกมาคนละแหน่ที่พูดอธิบายคนละแง่แต่ว่าแสดงความจริงอย่างเดียวกันนั้นถ้ามอให้ดีเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงอนัตตาแล้วเรานึกถึงความว่างเนี่ย ในแง่หนึ่งเนี่ยถ้ามองดีๆเนี่ยโอ้มันเติมไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายที่รวมกันเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนั้นอย่างเก้าอีเนี่ยนะในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าเรามองด้วยหลักความจริงคืออนัตตาเนี่ยมันก็บ้างป่าจากตัวตนนะ เก้าอี้เนี่ยแต่ในรล้วกันเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะโอ้มันมีอะไรมากมายให้เราเห็นนะอย่างท่านติดนั้ธันยนบอกเนี่ยเมื่อเรามองเก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ยเธอมองเห็นดวงอาทิตย์ไหมเธอมองเห็นป่าไม้ซึงทำให้มีต้นไม้ อันเป็นที่มาของเก้าอี้ตัวนี้ไหมเธอเห็นเมฆนะที่หลังหยาดฝนลงมาเพื่อบำรุงต้นไม้อันเป็นที่มานะของเก้าอี้ตัวนี้หรือเปล่าแล้วคนตัดไม้กละ่ะเธอเห็นไหมเห็นครอบครัวของเข้าไหมเพราะจะมีต้นมีคนตัดไม้ได้ก็ต้องมีพ่อมีแม่ แล้วคนตัดมาจะอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีข้าวปลาอาหารท่านท่านพิธบอกว่าเนี่ยให้มองเวลามองเก้าอี้เนี่ยให้มองเห็นสิ่งต่างๆอีกมากมายที่ทำให้เกิดมีเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยพูดง่ายคือว่าเก้าอี้เกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเกิดขึ้นได้จากสรรพสิ่งที่ไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่แต่เก้าอี้อย่างเดียวนะกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ย มันมีขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอาศัยดวงอาทิตย์อาศัยเมฆอาศัยต้นไม้อาศัยคนปลูกต้นไม้อาศัยคนตัดต้นไม้อาศัยข้าวปลาอาหารเนียนครับที่เราเห็นความว่างคือว่างประากตัวตนในสิ่งต่างเนี่ยอีกแง่หนึ่งเราก็เห็น สรรพสิ่งที่ก่อให้เกิดหรือเป็นเหตุปัจจัยให้มีสิ่งนั้นขึ้นมาถ้ามองด้วยอนัตตาเนี่ยทุกอย่างก็ว่างป่าจบตัวตนแต่ถ้ามองด้วยหลักอิทัยาปเจยตาเนี่ยก็จะเห็นสิ่งต่างๆเรียกว่าสรรพสิ่งเลยก็ว่าได้หรือว่าสิ่งต่างนับไม่ถ้วนที่เป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น อันนี้คือความจริงนะือสัจธรรมที่จะเรียกว่าลึกซึ้งกันนะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะขัดแย้งกันความจริงสัจธรรมหรือคำสอนข้อหนึ่งเนี่ยทำให้เราเห็นความว่างแต่ความคิดหรือคาสอนอีกประการหนึ่งก็ทาให้เราเห็นถึงการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นที่เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งใดเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมากมายเนะีย่ยเช่นตัวเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งต่างๆมากมายทั้งธรรมชาติทั้งป่าไม้ ทั้งภูเขาทั้งไร่นารวมทั้งผู้คนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนอากรรมกรไม่ใช่แค่พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเท่านั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยตห น, นักว่าเราเนี่ยเป็นนิบุญคุนสิ่งต่างๆมากมาย มันทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันกับสรรพสิ่งแล้วก็สรรพชีวิตซึ่งตรงนี้มันทำให้เกิดเมตตากรุณาขึ้นมาในใจเราได้พพุทธศาสนาเนี่ยนะจะเน้นทำข้อสำคัญอยู่สองประการซึ่งเป็นองคุณของพพุทธเจ้าเนี่ยก็คือปัญญาและกรุณา ปัญญาหัวใจเนี่ยก็ทำให้พระองค์เห็นถึงความจริงที่ลึกซึ้งหรือธรรมะขั้นสูงนั่นคืออนัตตาที่ทําให้พระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนเนี่ยยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใด แต่ในขณะเดียกันพระองค์ก็มีกรุณาด้วยกรุณาเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เห็นถึงความสัมพันธ์ของสรร พ, พสิ่งเห็นถึงเห็นว่าสรร พ, พสิ่งสรร พ, พชีวิตเนี่ยลู้แล้แต่เกื้อกูลให้เราดํารงคงอยู่ได้กรุณาเกิดขึ้นจากการเห็นความสัมพันธ์ของสรร พ, พสิ่งก็เห็นถึงความจริงที่เรียกว่าอิทัิปัจจยตานี่ยละ มหายาเนี่ยเขาเน้นกรุณาและพอเน้นกรุณาเนี่ยก็จะเชื่อเห็นว่าเนี่ยโอ้เราอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าสรรพสิ่งแต่ทางเถรวาเนี่ยเป็นเน้นที่ปัญญาคือเพราะปัญญาทําให้เห็นถึงความจริงเรื่องอนัตตาแต่จริงทั้งปัญญาและกรุณานี่ก็ล้วนตั้แต่มีความสําคัญนะและปัญญาเกิดขึ้นได้เนี่ยนะเพราะเห็นอนัตตา แลถ้าเราเข้าใจความสมาคของสรรพสิง่งมากเท่าไหร่ก็จะเกิดกรุณามากขึ้นและปัญญากรุณาที่เจริญ ง, งอกงามนี่มันก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยมีความงอกงามมากขึ้นดัาการที่เราเข้าใจความจริงทั้งอนัตตาและอิจฉาปจิตาเนี่ยเห็นทั้งความว่างและเห็นทั้ง ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่มีต่อกันและกันเนี่ยมันจึงเป็นธรรมะข้อสำคัญัที่เราควรพยายามที่จ ะ, ะใคร่ควรวญแล้วก็เจริญทำให้เจริญงอก ง, งามขึ้นมาในใจอ้าวนี้ผูท้ทอนีนะอ้าวกลา